พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห9ิาลำดับที่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สิบเจ็ดธันวาคมสองันห้ารอห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าไม่มีเกิดก็ไม่มีตาย วันนี้เป็นวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2557เย็นวันนี้หลวงพ่อคงจะได้ไปวัดถินหมักแป้งที่กำหนดการของเขาขเขาก็บอกว่าคงจะให้หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมแต่หลวงพ่อไปดูก่อนว่าเป็นยังไง หลวงพ่อก็ยังไม่รับทีเดียวบางทีอาจจะมีครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาที่เท่นจะแสดงธรรมได้หลวงพ่อก็คงจะให้องท่านแสดงธรรมหลวงพ่อเพียงแต่สัมรองแต่ท่านก็กำหนดว่าให้หลวงพ่อนะองค์แสดงธรรมเย็นวันที่17เจเป็นงานครอบรอบ วันมรณะภาพหลวงปู่เทศหลวงปู่ใหญ่ของพวกเราที่วัดหินหมักเป้งแล้วก็พรุ่งนี้เช้าคงจะได้ไปชันที่อุดรห้างสรรพสินค้าพัฒนิน่งร้8อะไรนะถ้านหลวงพ่อจำไม่ผิดนะที่อุดรพอชันจังหารเสร็จแล้วก็คงจะได้ขึ้นเครื่อง ลงกรุงเทพกิจนิมนต์สองสามวันคงจะกลับมาก็คงจะเป็นวันที่ยี่ิบเอดหรยี่สิบสองพ่อก็ยังไม่มั่นใจยังไม่ดูดูก่อนเพราะมันเลื่อนไปเลื่อนมา <c oughs> ในช่วงช่วงเดือนธันวาเนะี่เป็นช่วงเดือนกิจนิมนต์จริงๆ แต่ามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ดูเหมือนกันนะกณัศรัทธาญาติโยมเพราะหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าเป็นพระสาธารณะถ้าไม่ไปที่ไหนเสลยก็ยังไงถ้าไปตลอนตลอนห่างจากวัดเกินไปก็ยังไงเพราะว่าในวัดของหลวงพ่อก็ไม่ใช่น้อยศรัทธาญาติโยมมาเกี่ยวข้องแต่ละวัน ถ้าเราจะไปที่อื่นจนเกินไปก็ขาดทางวัดอีกเหมือนกันเพราะนั้นต้องแบ่งทั้งไปด้วยทั้งอยู่ด้วยแต่ถึงยังไงก็ตามในใจของหลวงพ่อเองถึงจะไปนัสถานที่ใดอยู่นัสถานที่ใดก็เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนเพื่อสังสังคม แต่ตัวเองเหนื่อยไหมเออไม่ต้องพูดถึงให้พวกเรานึด้ดูดูตัวของพวกเราก็แล้วกันเมื่อถึงอายุ70แล้วจะไปที่ไหนมันไม่ใช่ของไปได้ง่ายง่แต่สมัยยังน้อยหนุม่มมันก็อีกอย่างนึงแต่เมื่อถึงอายุปูนนี่แล้วจะไปที่ไหนปิดผิดสถานที่มันเอ่อ ไม่สะดวกสบายทั้งนั้นแหละสู้อยู่บ้านตัวเองไม่ได้ไปที่ไหนก็สู้อยู่บ้านตัวเองไม่ได้อยู่บ้านตัวเองสะดวกสบายกว่าแต่ทีงยังไงการไปก็ต้องมีเหตุผลการอยู่ก็ต้องมีเหตุผลเหตุผลไปและเหตุผลอยู่เพราะเราอยู่ในชุมชนสาธารณะเราควรจะช่วยเหลือชุมชนอย่างไรได้บ้าง อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้สั่งเสียพุทธบริษัทว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นพระวาจาของพระพุทธเจ้าสั่งเสียพุทธบริษัทเพราะนั้นพวกเราก็ต้องคำหนึ่งว่าประโยชน์ตนเป็นยังไงก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์คนอื่นที่เกี่ยวข้อง เขาก็ช่วยๆกันดูเพราะนั้นหลวงพ่อเองที่ได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ว่ า, าให้ธรรมะหนังสือ MP3 มพีสสงเคราะห์ทางด้านวัตถุต่างๆตลอดถึงพระลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสน า, ารับนักศึกษาและอนับนักเรียนหรือวันรับลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา หลวงพ่อเองก็ไม่ได้หวังอะไรจากลูกหลานมีแต่อยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีแนะนำสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดี ถ, ถ้าลูกหลานเป็นคนดีแล้วหลวงพ่อเนี่ยพอใจไม่ใช่ว่าหวังความตอบแทนจากลูกหลานหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังถ้าลูกหลานเป็นคนไม่ดี เออโอ้วรึกถึงบุญคุณของหลวงพ่ออินไปพ้นคนอื่นไปขายยาบ้ายามาคัญชายาฝินได้เงินมาแล้วเพื่อมาบูชาพระคุณหลวงพ่ออินหลวงพ่อไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าลูกหลานใครก็ตามที่มาบวชในวัดหลวงพ่อก็ดีไม่รู้กี่รุน่นแจกเทปแจกหนังสือให้ก็ดีเมื่อได้ไปแล้วพวกเราได้ฟัง ได้ศึกษาแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของประเทศเป็นพลเมืองดีของของโลกเพียงแค่นั้นละ่ะหลวงพ่อในภาคภูมิใจอย่างมากดีอกดีใจอีกว่าเราได้ช่วยเหลือชุมชนพี่น้องประชาชนให้เป็นคนดีถึงจะไม่ได้มากร้อยหนึ่งได้ทักคนหนึ่งหลวงพ่อก็ยังภาคภูมิใจในการแจก ธรรมะแจก mp3 พเพราะว่าการแจก MP3 พเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะคณะสัตาธิโยมลูกหลานแจกในงานกะถินเพียงปีเดียวนะหมดไป80000 0กว่าบาทเฉพาะ m อ็สชุดเดียวนะแล้วเราแจกมาไม่รู้กี่ชดุดกี่รุ่นมากมายทีเดียวที่เราแจกไปแต่การแจก mp3 สก็ดีแจกหนังสือก็ดีหลวงพ่อเองก็มั่นใจ ว่าการแกกไปนั้นถ้าคำว่าผู้ใดตั้งใจฟั ง, งตั้งใจศึกษาฟังแนวธรรมคําสอนที่หลวงพ่อได้พูด ไ, ไว้ใน MP3 หลวงพ่อมั่นใจว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าหลวงพ่อเองเมื่ออัดไปแล้วหลวงพ่อก็ฟังเหมือนกันฟังเสียงหลวงพ่อเหมือนกันถึงจะไม่ได้ฟังทุกม้วนทุกกันแต่ก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ฟังหลวงพอ่อหลวงพ่อเองมีตะอัด หลักเหตุผลเหตุและผลเข้าไปอยู่ในนั้นทำไมเหตุมันเป็นอย่างนี้ผลมันเป็นออกมาอย่างนี้ผลมันออกมาอย่างนี้เพราะเหตุอะไรมันมีเหตุเป็นอย่างไงมันจึงออกมันจึงออกมีผลเอ่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อจะให้หลักและเหตุและผลอยู่ในนั้นพยายามถึง อ, อย่างหลวงพ่อเองจะเป็นพระอยู่ป่ารงพงไัยไม่ได้รับการศึกษาสูงส่งแต่หลวงพ่อก็ ได้หลักได้นำนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้เหตุผลให้แนวความคิดพอหลักของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนไปที่อื่นแต่หลวงพ่อมองว่าอาจจะภบพ่ออาจจะตีความหมายเข้าข้างตัวเองก็ได้แต่หลวงพ่อบอกว่า การเรียนวิชาความรู้ทางโลกทั่ ว, วไปเหมือนกับเราเรียนกิ่งก้านสาขาอดอกใบอของต้นไม้แต่หลักของพุทธศาสนาเนี่พราะพุรธเจ้าสอนลงถึงลากแก้วคือลากแก้วท้าว่าลากของมันมั่นคงมันดูดน้ำดีเสิ่งเหล่านั้นก็ไปไปในทางที่ดี แต่ถ้าหาว่าลากแก้วของมันผกพังแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็หาความเจริญงอกงามเติบโตได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าลากของมันมันผูกร่อนไปหมดแล้วนี่ก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านสอนเลืง้งลงถึงใจถ้าหากว่าผู้ใดก็กตามใจดีแล้วใจเป็นธรรมแล้ว ใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคิดไปในทางที่ถูกต้องแล้วการกระทาออกไปก็ดีการพูดออกไปก็ดีเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักจริงจริงก็คือที่ท่านได้ตรรู้ในวันเดือน6กเพนที่คืนวันนั้นแะแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่าสมัยเราเป็นสิสทธะมีความสุขอย่างนั้นมีความสุขอย่างนี้นสวยราช ถึง29ปีพระพุทธองค์ยังไม่ได้พูดอะไรแต่เมื่อพระเมื่อพระพุทธองค์เสด็จออกไปอยู่ป่าเมื่ออายุ29ปีไปอยู่ป่าถึงอายุ35 36ปีปีที่36พระพุทธองค์ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพตอนหัวค่ําได้ญาณรัตนะเมื่อพระทัยใจของพระองค์รวมสงบหน่อย ปุบเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูตตปะปะตาตยานดูสรรพสัตว์ท้งหลายเกิดแก่เจ็บตายของสรรพสัตว์ใช้กรรมสรรพสัตว์ท้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะให้ผลอันนี้พระองค์มองดูสรรพสัตว์การเป็นอยู่และการเป็นมาและการเป็นไปพอถึงสุดท้าย อาสาวกขยายานญานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ใจตรงนี้มาจากไหนที่เกิดของมาจากใจและสิ้นที่สิ้นสุดของใจคือนามธรรมตัวผู้รู้ตัวนี้จะไปสิ้ น, ส, นสุดอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธองค์มองว่าที่เกิดของใจก็คืออวิชชาอาวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสัง เป็นสังขารจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทเกิดแก่เจ็บตายนี่มันออกมาจากตัวอวิชาคือตัวสังขารจากนั้นพระองค์ก็ดูว่าวิญญาณดวนี้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนไม่มีที่สิ้นสุดของวิญญาณวิญญาณดนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉนั้นพระพุทธองค์จึงได้พิจารณาดูแล้วว่าอันไหนที่มันพาไปที่ไม่ให้มีที่สิ้นสุดเนี่ย กิเลสพระองค์ก็มองดูกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรธหลงตัวนี่แหละเป็นตัวผลักดันให้ดวงวิญญาณละใจของพวกเรากลิ้งไปไม่มีที่สิ้นสุดพระพระองค์ก็ได้ใช้ตปธรรมคือการพิจารณาว่าเราจะทำยังไงถึงจึงจะให้จิตใจตรงนี้จุดหมุนไปข้างหน้าให้สต็อปให้หยุดไม่ให้ไป พอมันไปแล้วมีแต่เกิดแก่เจ็บตายหาที่สิ้นสุดไม่ได้จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้พิจารณาดูแล้วว่าตัวที่พาหมุนไปเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สดน้นคือตัวกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงได้มาคํานวณพิจารณากันกรองไต่ตรองด้วยความเฉเลียวฉลาดของพระ อ, องค์เองด้วยบุญบา ร, รมีของพระ อ, องค์อันี้ว่าใช้ตประธรรม คือศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญานก็คือมักแปในในินสมาธิปัญญามัก8สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายนี่แหละมักข่าคือหนทางหรือว่าิธีแก้ไขทำให้จิตใจของพระองค์หยุดหมุนไปข้างหน้า เพราะนั้นพระ อ, องค์จึงได้ใช้ะประธรรมกำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะในวันเดือนหกเพนจวนสว่างเมื่อพระ อ, องค์กำจัดพระไทยใจของพระ อ, องค์บริสุทธิ์แล้วพระ อ, องค์ประ ก, กาศได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่เกิดอีกแล้วถ้าไม่เกิดแล้วความตายจะมาจากที่ไหน เ, เพราะว่าหยุดเกิดแล้วเมื่อหยุดเกิดก็ความตายก็ไม่มีในเมื่อความตายไม่มีก็นั่นแหละ ความทุกข์ความโศกทั้งหลายทั้งปวงก็หยุดหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าจังหวะเข้าสู่นิพพานนิพพานันานนงปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพา น, นังปรามังสูนอย่างนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูญเชื้อเชื้อคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะที่จะทําให้ดวงวิญญาณนี้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆพระองค์กําจัดออกแล้วกําจัดเชื้อออกแล้ว จิตใจที่บริสุทธิ์แล้วเหมือนกับที่พวกเราท่านทั้งหลายคนโบราณเขาทําน้ํ า, า, า, ามันมะพร้าวอย่างนั้นนะ่ะน้ํามันมะพร้าวมันออกมาจากไหนออกมาออกมาจากลูกมะพร้าวเมื่อเราเอาลูกมะพร้าวมาแล้วเออเราก็มากระเทาะเปลือกผ่าลูกมะพร้าวเอากระต่ายขูดทําแบบโบราณ น, นะอขูดมะพร้าวก็เป็นขุย พอเป็นขุยขึ้นมาก็คั้นใส่น้ําเป็นน้ํำขาวๆคั้นกะทิจากนั้นแล้วก็กรองด้วยต ะ, ตะแกรงห่างๆพอกรองเสร็จแล้วก็เอาลงกระทะแล้วก็ต้มต้มแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวน้ําที่เราขูดออกมาจากกะทิกาจากขุยมะพร้าวนั่นที่เราคั้นนั่นจากนั้นพอน้ํา พอเขี้ยวเข้าไปมากๆน้ํามันมะพร้าวน่ยมันลอยมันลอยขึ้นมาจากจากน้ําที่ขาวๆเน่ยใสแจ๋วเลยท่เป็นน้ํามันขึ้นมาเอ๊ะมันทําไมเป็นน้ํามันขึ้นมาได้ทั้งที่มันเป็นน้ําเป็นขุยมะพร้าวเพราะในส่วนก็เป็นน้ํามันมะพร้าวเมื่อเป็นน้ํามันมะพร้าวเอาน้ํามันมะพร้าวนั่นแหะไปขยํากับขุยมะพร้าวน่ยมันเข้ากันไม่ได้เลยท่านี่ทำไม มันออกมาจากขุยมะพร้าวทำไมเอาน้ำมันมะพา้าขย้ำเข้าไปอีกมันทำมันเข้ากันไม่ได้เพราะมันเป็นมิติหนึ่งออกมาแล้วนี้ก็เหมือนกันใจของพระหันความบริสของพระหันออกมาจากกิเลสในเมื่อใช้ธรรมคือสินสมาธิปัญญาเขี่ยวเข็นเข้าไปแล้วน้ำมันมะาพร้าวก็ลอยออกมาเป็นมิติหนึ่งออกมาจากจุดนั่นละ่ะจุดที่มีกิเลสน่ะ ลอยออกมาเป็นอิสระแต่เมื่อเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเป็นน้ํามันมะพร้าวแล้วจะไขยําเข้าไปในไปในขุยมะพร้าวหรือไปเอาเข้าไปในกะทิมะพร้าวเข้ากันไม่ได้เพราะอะไรมันคนและเป็นคนละเรื่องกันเพราะออกมาจากจุดนั้นทําไมเอาเข้าไม่ได้เพราะนะั้ใจของพระพระรหัสรือว่าความบริสุทธิ์ของพระหรหัตจะเอาเข้ามาหาปุตติชนไม่ได้ เป็นอีกมิติหนึ่งนี่ว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังศูนย์อย่างนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์เชือ้อที่จะทำให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะศูนยออกจากใจพระไทยของพระอรหันต์แล้วจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนี่แหละห ล, ะละักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าหากว่าใจดีใจมีเหตุมีผลออแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปด้วยถ้าหากว่าจิตใจโลภโหมกรณะนะโลภโกรธหลงอยู่ในจิตใจมากๆอยู่กับผู้ใดนั่นแหละจะหาความสงบพร้มเย็นเป็นสุขไม่ได้อยู่ในชุมชนกลุ่มใดอยู่ในคณะใดก็าตามมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะหไรเพราะว่ากิเลส จะหาคาว่ากิเลสคานี้จะอำนวยความสะดวกความสุขให้แก่ตัวเองให้แก่มนุษย์โลกนั้นไม่มีมีแต่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะ น, นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมองเห็นแล้วว่าการกำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละเป็นหนทางที่จะทำให้จิตใจสงบหยุดนิ่งจากนั้นก่อนนะ กำจัดออกไปเป็นมิติหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นวันนี้กหลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนำไปการกรองไตรตองดูสิว่านี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาแล้วจะลึกซึ้งจะลึกซึ้งว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ไกลๆหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะ มันคล้ายๆจับต้องได้เห็นได้ เ, เมื่อเราพิจารณาด้วยหลักเหตุผลแล้วนะการพูดในวันนี้ก็สมควรขอหยุดติแล้วก็ต่อทนนี่ไปพระสงฆ์เจาอนุโมทนาให้พรรับพรณัฐนี้น